ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมายาเมเทศนารายกันธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิขุก็เป็นธรรมเนียมนะก็ให้นั่งขดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติไว้ที่จมเพาะหน้าที่ลมหายใจ หรือที่ ร, รมบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่แหละพยายามทำให้ความใส่ใจความตั้งใจของเราจดจ่ออยู่ที่สติเฉพาะหน้ากับลมหายใจแล้วก็ไม่ส่งเพ่งลงไปที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นแค่เครื่องอยู่เป็นแค่เครื่องหมาย ของการทำความสงบของเราเราไม่ให้ตัวเราจมลงไปที่ลมหายใจให้ตัวเราเนี่ยอยู่กับความรู้ความรู้สึกที่เห็นลมมันกระทบจมูกของเราว่า น, นี่คือสัมผัสของลมที่มันเข้านี่คือสัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกของเราตอนออกแล้วก็พยายามประคองนะ ความใส่ใจความตั้งใจให้มันอยู่กับลมหายใจให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคือความใส่ใจความตั้งใจของเราเนี่ยมันขโมยหนีไปอยู่กับเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงานที่มันข้างค้างมาติดอยู่ในใจของเราตลอดวันเนี่ยที่เรารับมาเนี่ยใจมันยังกังวลงานยังไม่เสร็จหรือทะเลาะ ก, กับ คนรอบข้างมาหรือไม่ก็เพิ่งไปดูหนังฟังเพลงใจเราก็ยังมีความเพลินในอารมณ์เก่าๆอันนั้นอยู่เราก็สลัดวางปล่อยอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยย้ายความตั้งใจของเรามาไว้ที่ลมหายใจคอยเฝ้าสังเกตดูลมหายใจอย่างตั้งใจ ที่เฉพาะนาแต่ก็ไม่ใช่ตั้งใจแบบเพ่งเกรงอะไรนี้นะเพราะฉะนั้นคิดอรับสำคัญก็คือพยายามทำให้มันสบายสบายพูดง่ายคือทำเล่นๆนั่นแหละทำเล่นๆทาชิวๆแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมากตั้งใจที่เราจะบังคับให้มันมาอยู่กับลมหายใจ พอเราบังคับไปเนี่ยแน่นอนใจของเรามันก็จะแข็งเกรง็งมันไม่ปลอดโปร่งไม่เบาสบายการที่เรามาเข้าสมาธิมาฝึกสติเนี่ยสำคัญก็คืออารมณ์ในใจของเราเนี่ยมันต้องเบาสบายปลอดโปร่งช่มชื่นเบิกบานนะถ้าการที่เรามาเพ่ ง, บ, งบังคับให้มันจดจ่ออยู่กับลมหายใจ แล้วมันก็หนักแล้วมันก็แน่นแล้วมันก็เครียดอย่างเงี้ยอย่างนี้ทำไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าความตั้งใจของเราเนี่ยมันเกินความพอดีมันเปลี่ยนจากความตั้งใจที่เป็นฉันทะคือความยินดีพอใจในการงานของเราเนี่ยไปเป็นโลภเป็นความโลภเป็นความอยากได้ เป็นตัณหาคือความอยากอยากที่จะให้มันอยู่อย่างนี้อยู่ตรงนี้อยู่ให้ดีเพราะมันเปลี่ยนจากฉันทะเป็นตัณหาอย่างนี้เนี่ยมันก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของการที่เรามาทำสมาธิแบบมีกิเลสนำไปกิเลสก็คือตัณหาเนี่ยนะพาเราไปมันก็เป็นจิตที่ เป็นฝ่ายอากุศลเป็นฝ่ายโลภะแต่ถ้าเรามีใจที่ทำเล่นๆทำชิวๆแต่อย่างตั้งใจนะคือไม่ล้มเลิกแล้วก็จดจ่อต่อเนื่องใจมันก็จะเป็นใจที่เปลี่ยนจากตัญหาคือความดิ้นรนทยานอยากเนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นฉันทะคือความยินดีพอใจ ใจเราเนี่ยก็ได้ละอกุศลคือตัณหาที่เป็นในฝ่ายโลภะเนี่ยออกไปก็กลับมาเป็นจิตที่เป็นอะโลภะเป็นจิตที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะตั้งมั่นอยู่ในการงานทำให้จิตใจเนี่ยเป็นจิตใจที่เบาสบายปลอดโปรง่งแล้วก็ประคองมันไว้อย่างต่อเนื่องอย่างนี้ อารมณ์ความเป็นหนึ่งของใจที่มันได้กินอารมณ์ของการหายใจอยู่มันก็ปรากฏขึ้นได้ใจที่มันจะคอยไปกินอารมณ์อดีตของวันนี้ของเมื่อวานของวันไหนไหนก็พละมาไว้ที่ณับปัจจุบันที่ลมหายใจได้พอมันเป็นอย่างนี้ใจเบาใจสบายใจสงบ ก็คือการที่เราได้มาพักจิตนี่แหละแต่อย่าลืมนะการที่เราได้พักจิตอย่างนี้พักก็คือพักแต่เราจะไม่ไม่ปล่อยให้ใจแช่ยอยู่ในอารมณ์ น, นี้อย่างทุกครั้งหรือนานๆมากจนเกินไปเราก็นำความสงบที่มีเอามาใช้ด้วยเอามาใช้พิจารณา ให้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างตามความเป็นจริงเอามาพิจารณาให้มันเห็นถึงไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงมันเป็นนำของนำทุกข์มันเป็นความทุกข์มันเป็นของที่เราควบคุมไม่ได้คืออนัตตามันเป็นของที่มันไม่มีตัวตนทแท้แน่นอนก็เหมือนอย่างที่ได้พูดกันไปตอนก่อนๆนี่แหละ แล้วก็อยากจะย้าอีกสักทีหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะพิจารณาเนี่ยงานหลักของการพิจารณาของเราก็คือการที่เรามาพิจารณาตัวเรานี่แหละพิจารณากายแล้วก็ถ้ามันละเอียดลงไปแล้วเริ่มมีความเข้าใจเริ่มมีความชํานาญแล้วก็พิจารณาอารมณ์ในใจพิจารณาจิตใจควบคู่ไปด้วยแต่ถ้าสำหรับคนที่ ผู้ใหม่หรือเพิ่งปฏิบัติยังไม่มีความชํานาญเท่าไหร่เนี่ยก็เน้นลงที่กายให้มากเพื่อเราจะได้เข้าใจใจเรามันจะได้เข้าใจถึงความจริงก็คือมันไม่มีตัวเราตัวเขาที่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป มันเป็นเพียงแค่การประชุมรวมกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองซึ่งการที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะไม่เห็นสาระของความเป็นศาตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาได้อย่างเข้มข้นแบบเก่าเราก็จะได้คลายความเห็น ที่ว่าอันนี้คือคนอันนี้คือสตร์อันนี้คือตัวเราอันนี้คือตัวเขาซึ่งถ้าทุกท่านเนี่ยได้ลองสังเกตใจตัวเองดีๆสังเกตความรู้สึกในใจตัวเองดีๆแล้วเนี่ยเวลาในระหว่างวันที่เราทำงานก็ดีเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแทบจะเกือบร้อยเปอร์ซ็เลยสำหรับคนที่เพิ่งฝึกใหม่หรือ สำหรับคนที่ไม่เคยฝึกเลยจะรู้สึกได้เลยว่าอันนี้คือคนแน่นอนอันนี้คือสัตว์อันนี้คือผู้ชายอันนี้คือผู้หญิงอันนี้เป็นตัวเราตัวเขาเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงจงจังๆแบบเต็มๆเลยแต่ถ้าสำหรับคนที่ได้หมั่นพิจารณาตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ ว่ามันไม่มีศาสตร์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาทิ้งแท้หรอกจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่การประชุมกันของธาตุสี่เท่านั้นแหละถ้าเราเอาน้ําออกเอาลมออกไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกอย่างนี้มันก็จะเหลืออะไรเหลือดินถัดไฟออกไปก็คือความร้อนเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็คือดินดีๆนี่เองแต่อาจจะเป็น ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งถ้าให้มันเป็นดินจริงๆก็คือมันต้องมีการเปื่อยเน่าผุพังลงไปมันจะได้ไม่เห็นโครงสร้างที่ยังเป็นทำให้เรามีใจนึกถึงความเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ซึ่งเวลาเราพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆชินกับความจริงอันนี้ ใจก็จะค่อยๆ ค, คุ้นชินกับความจริงอันนี้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละอย่างเช่นเราตอนที่เราไปงานศพอย่างเงี้ยเราเห็นตอนที่เขามีชีวิตตอนนี้เขาไม่มีชีวิตแล้วตอนที่เขาเอาเข้าเตาเผ า, เาวันที่เราไปเก็บกระดูกอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า ม, มันเปลี่ยนไป จากที่เราเคยเห็นเขาตอนเป็นเป็นตอนนี้เขาเหลือแค่กองขี้เถ้ากองกระดูก่านั้นแหละพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็สลดใจสลดสังเวชเห็นถึงความเป็นจริงที่ใจได้ดีระดับหนึ่งแต่การที่เราไม่นำความจริงเหล่านี้มาหมัน่นคอยเตือนใจเราอยู่บ่อยๆเนี่ยไอความเห็นแบบเก่า คือเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงคนนี้เรารักคนนี้เราเกลียดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะกลับมาครอบงำใจเราเหมือนเดิมความเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราหมั่นที่จะเห็นใจสังเกตใจว่าใจเราเนี่ยมีความเห็น ที่มันเป็นไปตามความจริงคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้ถ้าเราหมั่นพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมีสติคอยเห็นว่าใจเราเนี่ยมันเห็นว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาแล้วเราก็คอยเอาความจริงอันนี้มาคอยเตือน คอยสอนใจอยู่ได้บ่อยๆมันก็จะเป็นใจที่ได้รับการพัฒนา ด, ดีขึ้นเป็นใจที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับความเห็นเก่าๆความเห็นที่มันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นแบบเก่าๆ ซึ่งการที่เรามาหัดฝึกหัดปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแน่นอนวัตถุ ป, ประสงค์อ่ะก็คือการที่เราอยากจะมาลดทอนความทุกข์นั่นแหละเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็อยากจะลดทอนความทุกข์ใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมากกว่าเป้าหมายคือการลดทอนความทุกข์เนี่ยคือวิธีการนะเราต้องมุ่งมั่นอยู่กับการงานวิธีการที่เราจะดาเนินไปเพื่อความบนทุก ทำไมถึงต้องเน้นย้ำตรงนี้คนส่วนมากเนี่ยเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยเราก็จะอยากพ้นทุกข์ไงเราก็จะอยากให้ความทุกข์หมดไปดับไปซึ่งเราเอาใจเราเนี่ยไปวางไว้ที่ผลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยถ้าเราเอาใจไปไว้อยู่กับผลแล้วอย่างเดียวนะมันก็ทำให้เราเป็นคนที่ โมแต่คิดเนะี่ยคิดแต่ไม่ลงมือทํามีความอยากแต่ไม่ลงมือทาหรือมีความคิดที่ดีว่าจะทาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็วังวนอยู่ในความคิดนั่นแหละไม่ได้ลงมือทําสักทีหนึ่งเออเราจะทําอย่างนี้ดีไหมเออเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มปฏิบัติทําแล้วนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยโอ้ยการงานก็มากเงื่อนไขคนนั้นคนนี้ก็คอยกวน เออเอาไว้วันอื่นก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยทำแต่ใจเนี่ยมันก็ยังอยากที่จะลดทอนความทุกข์ให้ได้ใจมันก็ยังอยากที่จะพ้นทุกข์ให้ได้แต่ก็ไม่ได้ลงมือทาสติมีแต่ความอยากอยากว่าเออเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะเอางั้นวันนี้ยังไม่ดีเอางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำแหละแต่คนที่เขาได้รับผลของการปฏิบัติธรรมที่ดีที่มีความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆเนี่ย สิ่งหนึ่งคือเขาเป็นคนที่คิดแล้วก็ทำไม่ไม่ไปอยู่กับวังวนของความคิดมากจนเกินไปคือรู้แล้วล่ะ ว, ว่าเรามีธงอยู่ตรงนี้เส้นทางเป็นยังไงแล้วก็เดินแต่ถ้าคนที่มองแต่แต่ปลายทางอย่างเดียวว่านั่นนะ่ะปลายทางของเราเออมันมีทางเดินกี่สายนะก็ทางไหนมันจะดีกว่ากันเออทางนี้มันจะสบายกว่าไม่ หรือว่าทางนี้โอ้ยไม่ดีหรอกลำบากมากก็ เ, ออเดี๋ยวเราหาทางอื่นดีไหมมัวแต่คิดมัวแต่เลือกเนี่ยมันก็อยู่กับที่นั่นแหละมันไม่ไปไหนแต่คนที่เห็นทางแล้วมันอาจจะยังมีหลายทางให้เลือกตอนเริ่มต้นก็จริงแต่ก็ไม่ลังเลแหละลองมันสักทางหนึ่งาทางนี้ไม่ได้มันต้องมีแยกนั่นแหละแยกให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้มันเป็น ไปสู่ทางที่เราถนัดขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นได้แน่นอนมันไม่มีที่แบบเราจะเดินตรงๆได้อย่างเดียวหรอกมันจะต้องมีอุปสรรคบ้างแหละในทางเส้นนี้แล้วเราก็แก้ไขปัญหาไปมันก็เหมือนการงานในทุกวันนะ่ะแหละถ้าเรามัวแต่คิดคิดคิดคิดไม่ได้ทำสักทีหนึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าเราจะมัวแต่คิดว่าเราที่ทำอันนี้อันนี้อันนี้ น, นี้พอคิดไปคิดไปคิดไปสุดท้ายมันก็เห็นถึงอะไรโอ้กว่าจะไปถึงปลายทางนี่มันโอ้เงินไขมันเยอะมันยากต่ออันี้ก็ต้องทํำอันนี้ก็ต้องทําอันนู้นก็โอ้ต้องไปเงื่อนไขยอะยากยากทั้งนั้นสุดท้ายก็ลมเลิกไปแต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยเขาก็เริ่มจากสิ่งที่เขาพอทําได้ใช่ไหม เล็กๆทำเล็กๆไม่ต้องไปคิดใหญ่ๆโตๆเราพูดง่ายก็คือเรามีเป้าหมายสุดท้ายปลายทางจริงแต่เรายังยังต้องสร้างเป้าหมายเล็กๆเริ่มต้นเสียก่อนคนเราเนี่ยมันจะขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยมันไม่ได้ก้าวทีเดียวถึงยอดเขานะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แหละว่าไปยอดเขานี่แหละแล้วเราก็อืทางทิศนี้ทางเส้นนี้มันน่าจะไปได้แหละเราก็ไป แต่ไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งเน่เราคงไม่ได้ขึ้นไดถึงยอดเขาหรอกเออถ้าต้องใช้เวลาหลายวันอ่างอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปพักตรงนี้เราเดินได้เท่านี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้พักให้หายเหนื่อยแล้วเราไปตรงนี้ต่ออย่างนี้เป็นต้นคือเรามีเป้าหมายย่อยๆซึ่งมันจะทำให้เราไปได้มันจะทำให้เราคืบหน้าก้าวหน้าไปแต่ถ้าเราโมจะมองแต่ยอดอย่างเดียวเนี่ยมันโอ้ยมันต้งไกล ทางไปตรงปลายปลายทางแล้วตรงกลางมันจะมีอะไรแล้วมันจะขึ้นไปตรงกลางยังไงโอ้ยมันไม่ได้แะถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ก้าวหน้าเลยเพราะฉะนั้นการที่เราค่อยๆทําเป้าหมายเล็กๆทีละหน่อยสองหน่อยแล้วค่อยๆก้าวไปเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญขอให้ลงมือทํเท่านั้นแหละท่านผูฟังอย่ามัวแต่หาข้ออ้างว่าเอออันนี้เราทาไม่ได้เพราะอันนั้นอันนี้ทาไม่ได้เพราะ น, นั้น ลงมือทำก่อนอย่างเช่นการที่เราจะก้าวไปสู่ที่สุดของความทุกข์ได้ก็คือมันก็ต้องเริ่มจากการที่เรามีสติใช่ไหมสติเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการฝึกสติด้วยฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเราก็พยายามมีสติอยู่เรื่อยๆซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกโอ้ยไม่ได้หรอกจะต้องหาเวลามาเงียบๆแล้วก็มานั่งมานั่งแล้วก็มาดูลมหายใจฝึกสมาธิ มันก็ไม่มีเวลาอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นคนที่เขาตั้งใจแล้วทาจริงจังเนี่ยเขาก็จะไม่หาเวลาเฉพาะเงียบๆแล้วถึงจะมาฝึกเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นตรงไหนก็ทําอะไรได้เขาทาไปก่อนในขณะทํางานเนี่ยโอเคมันอาจจะเผลอบ้างอะไรบ้างแต่ทุกครั้งที่เขาระลึกถึงตัวเองได้มีสติระลึกขึ้นได้เนี่ยเขาก็ กลับมาดูลมได้อาจจะสักสามสี่ห้าลมหายใจแล้วเขาก็เผลออีกแต่อย่างน้อยๆเขาได้ทาเขาได้ฝึกเขาได้สร้างนิสัยสร้างนิสัยที่ใจของเขาเนี่ยจะกลับมาบ้านหลังใหม่ที่ลมหายใจอันนี้พยายามพัฒนาสติให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆในระหว่างวันซึ่งมันเป็นความเคยชินความคุ้นชินนะ ถ้าเราฝึกช่วงไหนมากมันก็จะเป็นอัตโนมัติในช่วงนั้นได้ดีช่วงไหนที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ใช้เลยมันก็คุ้นชินในแบบเก่าๆไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแทรกไงฟังแทรกสติการฝึกสติลงไปในชีวิตประจำวันของเราในช่วงเวลาของชีวิตของเราพูดไปก็คือย้อนกลับมาในแหละว่าเราจะต้องดาเนิน โลกภายนอกกับโลกภายในคือการฝึกสติคือโลกของจิตใจนี้ให้มันควบคู่กันไปแล้วก็พยายามที่จะหมันนมม่นตรวจสอบสอบทวนไม่ใช่หมั่นตรวจสอบสอบทวนเป้าหมายนะมันตรวจสอบสอบทวนวิธีการของเราว่าเรายังดําเนินถูกต้องตามทาง ของการที่มันจะไปที่สุดของความทุกข์ได้ไหมทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าการที่เราอยากจะมีความสุขมากขึ้นใครๆก็อยากมีใช่ไหมพอเรามีความทุกข์เราก็อยากที่จะพ้นทุกข์ใช่ไหมให้ทุกข์ทุกมันน้อยลงทุกขมันดับไปใช่ไหมแต่ตอนที่เรายังไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยแน่นอนคนส่วนมากก็จะกลับไปใช้ชีวิตในแบบเก่า พูดอย่างนี้อาจจะรู้สึกเห็นภาพยากงั้นยกตัวอย่างคนที่ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็ได้โอ้ยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมากลับมางูใจสบายมีความสุขดีแล้วพอไปไงพอกลับมาแล้วปุ๊บสองสมวันแรกก็ยังรู้สึกมีไฟไงเราก็ขยันนั่งสมาธิขยันเดินจงกรมใช่ไหมพอสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึก เราดูซีรีส์สัหน่อยหนึ่งไหมหรือเราไปหาร้านอร่อยอร่อยกินกับเพื่อนใช้เวลาตรงเนี้ยที่ว่างเนี่ยดีกว่าแบบนี้ไไง่ายก็ไปหาความสุขทงางตางหัวจมูกลิ้นกายแบบเก่านั่นแหละแต่พอสักพักหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเราลืมเติมอาหารใจไงเราลืมเติมความสงบให้ใจเราลืมลืมไปว่าโลกภายในของเราเนี่ยมันต้องดําเนิน ค, ค, คู่กันไปด้วย เราทิ้งโลกภายในที่เราได้เข้าคอสปฏิบัติธรรมได้ไปฝึกฝนเราลืมไปแล้วเราก็กลับไปในโลกใบเก่าทิ้งโลกใบใหม่ที่เราเป็นโลกจำเป็นด้วยนะที่เราต้องพัฒนามันกลับไปใช้แบบเดิมพอมันกลับไปใช้แบบเดิมทุกอย่างมันก็เป็นแบบเดิมนั่นแหละไอ้โลกใบใหม่ที่เราไปสร้างไว้มันก็ค่อยๆจางหายไปจางหายไปสุดท้าย เราก็กลับไปเป็นแบบเก่าพอเป็นแบบเก่ามีความทุกข์แบบเก่าใจหนักแบบเก่าใจคับค้องคับแค้นแบบเก่าเราก็นึกถึงคอสปฏิบัติธรรมอีกทีหนึ่งเราก็หาเวลาไปปฏิบัติธรรมเราก็รู้สึกว่าเออไปปฏิบัติธรรมชีวิตมันก็ได้แค่นี้แหละจริงจริงไม่ใช่เราเอามาใช้ไม่ถูกอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเวลาเฉพาะการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะดีขึ้น ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยโดยการที่เราเข้าคอสสปฏิบัติ ธ, ธรรมมันไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นมันจะดีจริงก็คือมันจะต้องดีทุกๆช่วงเวลาของชีวิตของเรามันจะต้องกลมกลืนไปกับชีวิตของเราแต่การที่มันจะกลมกลืนไปกับชีวิตของเราได้เนี่ยเราก็ต้องเอาที่เราไปเข้าคอสสปฏิบัติธรรมนี่แหละมาใช้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของ เหตุปัจจัยอ่ะแล้วก็ผลใช่ไหมทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุอันนั้นแล้วก็ผลอันนั้นน่ะให้เราได้รับรู้รั บ, รบทราบเพราะนั้นการที่เราไปเสพความสุขทางกามทางตาหูจมกูกลิ้นกายเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นวิถีเก่าใช่ไหมก็คือมีความสุขอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่ในชีวิตแน่นอนแล้วยังไงเราก็อยากจะให้ความทุกข์มันลดลงใช่ไ เหตุปจัจจัยของการที่เราจะมีความทุกข์ที่มันลดลงได้เนี่ยพระพุทธองค์ก็พูดให้ฟังอยู่แล้วนะสุดตรงสองทางเนี่ยคนที่อยากพ้นทุกข์ต้องหลีกเลี่ยงก็คือทางเส้นแรกก็คือการที่เราไปมัวเมาความสุขในกรรมทั้งหลายใช้คําว่ามัวเมานะไม่ใช่ว่าเราไม่เสพความสุขทางการมนะไม่ใช่แต่การที่เรามีความมัวเมามีความเพลินความสุขในการมทั้งหลายเนี่ยถ้าเรายังมีอย่างนี้ อ่เราก็สุดโต่งไปทางหนึ่งแหละซึ่งคนส่วนมากเนี่ยก็สุดโต่งไปในทางนี้สัมากสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็กลับมาที่จุดนี้แหละพอเราปฏิบัติทำสบายใจแล้วลดทอนความทุกข์ได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็กลับไปมัวเมาความสุขในกามทั้งหลายแบบเก่ามันก็มุ่งหน้าแบบเก่านั่นแหละไปทางทางทางทุกข์แบบเก่าซึ่งพอถึงตอนนี้ปุ๊บก็หมดเวลาแล้ว เดี๋ยวคลาวหน้าเราเค่อยมาต่อกันว่าเราจะยังไงต่อไปดีกับชีวิตนี้กับการพัฒนาความสุขกับการลดทอนความทุกข์อันนี้สำหรับวันนี้เจริญพร